ทำไม่เกิดยังไงครั่านือปัญญาครั บ, รบ <c oughs> ไมเมื่อจิตสมาธิแล้วก็ําให้เกิดปัญญาครับให้ลดปัญญาเพื่อ้งถาวรคิดสม า, มาี่แล้วก็ต้องให้คิดเดินตามอาการสารที่สองจังจะผมคนลดฟันหนังเ น, เนื้ออินกระดูกเยื่อเนื้อกรกดูกนะมั่ เม่ใจตับพังผืดขยายไซน้อยอ่าใหม่อ่านเก่าให้มันเดินอย่างนี้เพื่อใจอืมมันเดินยังไงคบือดูอันสุดปเะดยคือผมดูคเจ้าของครับผมอืมมดูผมผมเป็นยังไงหลักสามเป็นยังไงมันเข้าก็ในหลังลุกกระจาแล้วก็มีออกมามันยาวมัเรนอะไรอืมทไมมันจึงยาวมนมีทีสิ้นสุดอืมแลครั้งให้เข้าใจ ซึ่งศาสตรที hmm. like, oh. ่จิงใจฝ่าโอมาเป็นอย่งนั้นแล้วก็คนกำลังการลึกกำลังกันดูดูอันนี้ดูของมนวดดูความถจแล้วอาการของดูเสร็จแล้วดูเล็บดูเล็บทุกเล็บเนี่ยสังเกลึกมือลึกตีนอะไรก็ดูทุกเล็บดูฮะคือดูมัเห็นชัดจนในจิตใจใรอเปลงศารที่จิตใจดูอาการรักษาของมันมันเป็นยังไง ตอนดูดูตอนนี้นั้นจะเกิดภาพประกอบด้วยหรือเปล่าไม่มีไม่มีภาพอะไรภาพภาพไม่มีภาพพัดใจในใจ ไ, ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทั้ภาพครับให้รู้โดยปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นหลักฐานเป็นอย่างนั้นให้ดโดยปัญญาดูโดยจิตอันลึกซึ้งนะครับอันลากซึ้แล้วก็ดูอาการตามจิต ด, ดูจนทั้นนอดใช่ไหมที่งานทีละอย่างละอย่างครับอืมทีละดูทีละอย่างละอย่างดูทีละอย่างละอย่างไปเพื่อจะทํำชีวิตของเราให้มีกําลังและสสติกก็มีกําลังที่ด้ย ดูเส็แล้วหมดอาการสามที่สองไปแล้วแยกกี่แยกแยกถอนผมทุกกองหนึ่งกองหนึ่งครับถอนเล็บไปกองหนึ่งปันไปกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งทัาทําได้ดูทํนได้เ้วจิจิตมันทําได้กองหมดทุกองแล้วส่างห้ยหลุดทิ้งอืม ดูงดุกรองแล้วก็ให้ดูให้บรกรรมถึงอนิึจังทุกครั้งอาตาในจิตให้ไม่รู้จักว่าทุกครั้งนี้ทุกครั้งเป็นอันยจังอาตาอาการอันยึดจังทุกครังอาตากายเย็นซึ่งทราบในจิตเมื่อไงกันล่ะดูจิตทุกครั้งทุกคราในใจให้ดูดูอาการในจิตล่ะทั้งสามทั้งสามหลักนะฮะเรียกใจหลักอันิจดจังทุกครั้งอาตา จิตมันเป็นทุกครังมันเป็นยังไงดูครับดูอาการจิแล้วการจิตเป็นอย่านี้จังมันเป็นยังไงเป็นหน้าตามันเป็นยังไงให้ดูให้เข้าใจขใจชัดเจนด้วยกันยาอย่างเช่นจะพิจารณาเป็นจารสมุดปาดนี่จะเป็นขั้นปัญญาดยหรือเปล่ามีตัวการปัญญาทำปัญญาให้เกิดจิตใจสมุบาทก็ แม่ต่างพิจารณาอะไรมากมายในพิเดียสังขารในพิจารณาสังขารอาวิช า, าอาวิชาหนึ่งเป็นโซมายโรถึงความเป็นจริงของจริงสังขวมแล้วใครรู้ดังในตัวอาวิชาเสียก่อนสราวิชานี่ขดขารอนเป็นยังไงเมือเราไม่ไดอวิชาไม่เกอนั้นมันเป็นยังไงดูอาการขึ้นม ไม่พิจารณาที่อินทรีย์ที่ใจนี้ต่างกายไม่ได้นะตั้งแต่อวิชชาเป็นที่ตั้งการะสังข า, า, ง า, า, า, ป, าปันที่ั้งดูไปดำราไปแต่ที่จริง<ะ>่าวาเราพิจารณาตามแบบเป็นส่วนส่วนไปมันยาวไปที่จึงให้เห็นอัอวิชชาในชั้เชิโดยขันแยมันดับอาจารย์รไปมันดับเองนั้นจนรับไปวัดเดียวไปมันหมดแล้วทัทง้งทั้งอ่า เอาชาทั้งหมดทำเสร็ว ม, มันดับไปแล้วมันดับไปสิไ ม, ม่ดับไปเอปอตอนนี้วิธีที่จะพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขามิญญาเนี่ยพิจารณายัางไงครับก็เหมือนกันเหมือนกัน<ช>เวทนาสัญญา รูปเวทนาสัญญาสังขารมุญญานให้ดูรูปเถอก่อนดูรูปก่อนแล้วก็อเวทนาสัญญาสังขารมญนในกเนนั่นเพรผมอยากได้รายละเอียดตรงว่าดูรูปดูยังไงดูรูปก็ดูที่วางตีให้รู้จักรูปเถอะก่อนแล้วก็ดูรูปเวทนาสัญญาสังขารญญดูไปตามเร็วเถอะก่อนรูปมันเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไง วินญาณมันเป็นยังไงดูให้ละเอี้ดดูเอาละเอียดแล้วมันยังไม่คิดทางบุตรคิดอะไรแล้วมันเป็นทางนทางทางหามันจะเกิดคาถามคําตอบภาในจิตมันมันรู้เองมันรู้เองมันรู้ถึงความเป็นจริงครับมันรู้ถึงความเป็นจริงตอนนี้ตอนที่พิจารณาเนี่ยหละครับผมพิจารณาอย่างนี้แหละครับสมมุติว่าพิจารณาตอนที่ว่าสมมุติว่าสมาธิมันเข้าลึกเข้าไปแล้วถอยออกมาหรือเปล่าครับไม่ถอยย้อนเลยมาี่พิจารย์ย้อนสมาธ จิตวิทาที่อยูเป็นระบาดพิจารณาได้แมปัญยาเเกิดใจกตอนพิจารณานี้เราไม่ต้องยึดพุทโธมาได้ไมันต้องพิจารณาเมื่องยึดเไม่ต้องยึดบารกรรมไม่ต้วงยึดวางหมดดูให้รุ่นให้ลึกซึ้งซาถึงจิตใจเลยทีนี้ถ้าสวัิ์ที่ลึกไปเนี่ยก็ต้องถอนมาไม่ไม่ถอนไม่ต้องถอนนะครับผมเพราะว่าปรองจิตให้อยู่ปคองจิตเ็สิ่กับสนุนทีกับสนุนสนวิตให้อยู่บริอคกันได้ ให้สมาธิมีเป็นสลังให้พิจารณาได้ถึงคันเป็นจริงถ้าเราจากสมาธิแล้วไปบัดเราเอาข้างนอกมันไม่ถูกมันย้ำถึงความเป็นจริงถึงแต่เราคาดเอยได้กไม่ได้ความคือเราเรียนหมายความว่าเรารู้ถึงจีตปัจจัยด้วอาการจีติจจัยดูอันนึงแล้วมันเหมือนกันกระดูทั้งหมดมันเป็นท้งแค่เน้ใจรวมบ้าอ่า เมื่อเราดูรูปเวทนาจัญญาสังขั ญ, ญิยานเข้าใจในในในจิตของเราอันลึกซึ้งแล้วก็ให้รวมว่ามุ่งฆ่าทั้งห้ามุ่งฆ่าทั้งห้าคือเวทนาจัญญาสังคั ญ, ญิยานเป็นความว่างเปล่าให้วางให้หมดใความว่างเปล่ญญาให้หมดไม่มีอะไรจนไม่มีอะอไรแยกออกแล้วออกจากการ มันในเวลาอายุมันเป็นรูปนะเวลาใหญ่ออกการจึนเวลาใหญ่จึนจนหมดรูปแม่เส้นมุสระตูปิดของเราถึงที่ว่างที่ว่างนี่หมายความว่าความไม่มีอะไรบรรจุอยู่แม่เท่าเส้นคนที่เล็กที่สุดอยู่ในคอาวานมันกลางากาอะไรทันบรรจได้มันเหมือนกลางอากาศทว่างจึงมันตลางกากาศไม่มีอะไรบรรจุได้กลารไม่เอาเส้ผมที่เล็กที่สุดอยู่ในอากาศก็บรรจุไม่ได้มันเปล่าว่างเปล่าแค่ที่จเป็นยังไง เรื่องนี้คำที่ว่ารูปดับนาำกระดับนี่ไอ้ น, น, damn, น, น orange, bleiben, ้ำลายพร้อมกันน้าก็คือเวทนาจินเวทนาจินยางนี้อย่างรูปอุกิรูปนี่แหละแสดงดับเล่นดับพร้อมกันเวทนาจินแสดงดาบพร้อมกันไอ้น้ำดับตรงนี้มันมีความหมายคล้ายๆกับไอ้สังขารนันค่ะคือหมายความสังขารดับคือไม้ตกไม้ตแต่งอย่างเหมือนกันนะมัดมดสังขาร หมดสังขารเรือว่าชะ้าใชสังขารก็หมดหมดก่อนคิดหมดไปคิดนิดการปรุงแต่งไม่ิด้หมดความบุงแต่งไม่ไดหมดวันการมดสังขารนั้นเยอะหมดไปหมดแล้วทางอาการมันหมดไปแล้วอันนี้เรียกว่าน้ําดับน้ําดับคือไม่คิดน้ําดับไม่คิดหมายครับว่าคือไม่คิดหยุดคิดน้ําดับหยุดคิดหมดทั้งฤดูหนาวหยุดแต่ก็หมดทั้งฤดูหนาวอย่างไปว่า ที S <S นี้คำว่าหยุดคิดเนี่ยครับผมเอ่อมันจะไปคล้ายๆมันจะเป็นมันจะเป็นว่าจิตมันจะไม่ได้ทํางานหรือเปล่าไม่ทํางานอะไรเลิกทํางานแล้วมันมีอะไรงานไม่มีงานจะทำแล้วคือว่างหมดการทหมดการทำจุดต้องหมดการทำครับถ้าสมมติมอ่ขาขณะนี้ที่เรานั่งอยู่คุยอยู่เนี่ยครับจิตมันมันมันมันก็คุยไปตามปกติแต่ว่าไอ้ความว่างมันยังมีอยู่แต่ คามที่อยู่ในนั้นนามอยู่ในอนุยุไม่หยุดยุดแล้วก็ไม่ไม่มีตัวมีตนอะไรไม่มีการปรุงใจไม่มีการปรุงใจแล้วจะดยเห็นตัวเห็นตนไม่มีเพรให้สนอไม่ยึดถือตัวตนไม่ยึดถือรูปนฐานทั้งหมดไม่ยึดทั้งหมดเลยแต่ว่าการทําการพูดบรรจัยนี่ยังเป็นไปตามธรรมชาติให้เป็นให้แบ้ทำรูปไปตามธรรมชาตินะครับผม แต่รู้ว่าทุกทส่ทุกอย่างเป็นธรม ร, นรมชาติชิดเป็นทองชาวังวิไม่เก่ะชิตไม่เกะไม่เกากินเลิอยเฉงแล้วไม่เกาะเลยครับผมนั่นนั่นคิดว่าครับว่างเ้ตัวว่างเป่าี่เรีชื่อว่เนี่ยรูปดับนางก็ดับตนี้มันก็เหลืออยู่ตัวว่างฮะเยื่อหัวตัวว่าง ต, น, า น, น, ตนี้เววนะวว็เรียกอะไรครับที่เป็นเขาเรียกเป็นอะไรครับผม เป matters, ็นธรรมะรือเป่เรียกว่าตัวเป็นธรรมะที่สูงสุดตัวนั้นตัวตัวธรรมะที่สูงสุดตัวน้าที่แท้จริงตัวนั้นใช่ไหมตัวนั้นใช่จริงเลยคือเรีว่าใช้ชื่อกระดาษไม่มีชื่อหรอกแต่ว่าใชชื่อสมมติธรรมาชื่อหนึ่งคือชื่อว่านามกายนามกายชื่อนามกายนามกายคือชื่อว่างนั่นเอว่าง มานมันวบาล่านี้อะไรเป็นสืออยู่ในความวางแมต่นเดยวถึแม้ว่าเราจะคุยเราจะคิดเราจะอะไรเชิงคิดจะสร้างโบสถ์สร้างสรสร้างวิหารแล้วก็ทาไปตามธรรมชาติมันทำหน้าที่ทำาหน้าที่แต่จุดไม่มีความแ่ว่าม่มีวิญถืออะไรไม่มถือข้ามระยะอะไรไปเดี๋ยวยื้อเนยตัวสื่อัวสื่อถงตัวใัปัญญาปัญญาสาระมันถึงแล้วทมสักกระชั้ ครับผมไอ้ตัวนี้จะจะเกิดความคล่องตัวใช่ไหมครับผมครบไม่ต้องมีการอึดอาดไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วครับตัวผมบางทีคนนี้ปฏิบัติก็มักจะบ่อยนิ่งกันเฉยเฉยได้ค่เท่านั้นอันเป็นขั้นอะไรเลยไม่ไม่เอาครับนิ่งเฉยอันนั้นมันไม่เป็นสรรมชาติประกอบมาว่าจะไม่เป็นมึงมึรู้ถึงไหมไอ้นิ่งเฉย ไม่นี่ไม่ใช่เฉยช่ยไม่ได้ไม่ช่วยไม่ได้มาดูเลยมาก้ามันมันครอกไปหมดแล้วรู้รู้ต่ว่ารู้แต่มียึดอะไรอีาย่างการเขาคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงันจะไม่เข้าไม่รู้สัทาวะตรงนี้ไม่รู้สะาวะออเอาเป็นบาปไปาเอาไปที่เอาไปใช้ชื่อเอาเองมันไม่ได้แล้วนอกจากวิญญาณกาเปญญยากเป็นยากนี่ เป็นยามเป็นสมาธิมันรู้ถึงความเปกนจริงนะทารีแล้วมันหมดความสงสัไยไม่ต้องไปถามใครประเด็นรู้<ล>เงองบงครั้งอาจจะทิชชาว่ายังไม่รู้คูดให้รู้ก็รู้ไม่ได้เราแค่จิตนี้ครับผมทีททนี้คนมาติตตรนนี้ครับผมเพราปฏิบัติไปได้มาเกิดความสว่างขึยิ่งเถิตอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะไปตรงไหนทำยังไงเพราะไอ้สว่างตรงนี้มันตางอยู่ระดับยังไง อสว่างตันี high, hmm. à, no ้ค sí? oh, so, ือมันแบบโอภาษุต่างเฉลสขนเอาที่ใช้ไม่ได้ครับยใช้ไม่ได้จะแก้ยังไงดูจิตดูจิตใชมันออกไปจิดมันจะเสียอ๋อแอาไปเสียม่รู้ทุกสิ่งเปียกินออกเสียนะถ้าไม่รู้ถึกจิตถ้าถ้ารู้มมีทีว่าไปหลงอครับไอ้สิ่งเยอะาหลงไปรูปเปลี่ยนสิงโสะปกองลงไปหลงกินเอาไปได้กัน ก็เป็นเรื่องทราอยู่ประนรื่องอะไรนราไช้ช้นมันเห็นให้เจอโอกาเนี่ยมันเห็นแล้วาตเราไม่เคยรู้ยมันรู้รไม่เคยเห็นเลยมลงเอาเลยรงกับรูปอนนั้นนะครับผิดสารแต่นี่ที่เห็นแต่นได้ต่างๆแต่เราจะไม่เห็นแล้วกลับมาดูจิตดูยังไงก็วิ่มดูจิตมาดูมดูจิตดูจิตได้สิตอนนั้นค่ะี่อ๋ออนเรามาพี่ตอนมันอย่างตอนันอยู่จิตเปนหมด ออปแตนนนครับไปกนกแล้วก็มาอาอะไรมาเลยว่าอาจะนรอดูจิตกิดูจิลนดูจิไม่มาอะไรดดนมันอะไรที่อมันจะมีสิันขัรู้ึวิแล้วก็มันมันมดความสงสย่าต้องรู้จินดูความจิ้โดยโดยสัญญาอยรร แยกดูผ่อนก็ไม่มีอะไรมากมายจก็ตัง่าปฏิบัตินะครับผมเราต้องปล่อยจิตสบายๆใชไมครับไม่ไปบังคับแม้แต่อะไรหนึไม่บังคับเลยแต่บาเรื่องต้องเราระบบบริกรรมจิตของเราไม่เป็นสมาธิระบริกรรมไปเลยนบริกรรไม่เอาอะไรหมายพุดโธตัีเทพุทโธเนี่ยฝามอยู่ในจิตในหัวใจ เกาไปเขียนเรื่องในนังกระดาษก็คือโทรคือโทรคือโทรเพื่เป็นผู้บริการจิดเป็นผู้ว่าไม่ต้องว่าต่ปากสติของราผู้ว <laughs> <laughs> ่าผู้ว่าผู้โทรอยู่ตรงนี้ตั้งินั้นแม้การบริผู้บริการบริการด้วยไปครับแต่ตอนนี้ไปเข้ากับเรื่องที่หลวงปู่อธิบายว้ปการที่เห็นแสงเห็นอุปัตเนี่ยก็ อันนี uh, ้มันเป็นชังเนี้ยครับในหลักสมาธิมีอยู่อยู่ในว่าหลักที่ว่าหยุดตรงออกนอกไปสมุดไอยูช่ไหมสมเด็จมันจะมันจะเป็ี่นอยู่นั่คิดไปหยุดอยู่ไปไปเที่ยวอยู่นั่นนะแล้วมันพาไปเห็นไมอะไรยังไม่มีที่ไม่มีที่สิ้นสุดบอุปาดอยากเห็นอะไรเห็นอยากรู้อะไรไม่รู้มันรู้เองรู้อะไรสิ่งแปลกแปลกก็ไม่กันรู้แปลกอะรคือรู้ที่แล้วมันเคยรู้เท่นัเคยอยากเห็นอะไรมันเห็นอนนั้นอยากรู้อะไรมันรู้อันั้นมันพูดขึ้นมาให้รู้นะ กายสุญผุดกับการตกเกลทั้งหมดเลยข้ับอกไม่ใช่จัวจริงนึเอราเปียนตัวหน่อแล้วก็อาชิพย์อเราก็วเองไปยึดแต่สิ่งนเราหนาอาชีพที่เห็นนัมีเข้าใจเป็นจงจินเข้าใจเข้าใจก่อย่างนั้นเองพยาามเป็นจริงตัวจริงไม่ใช่ตัวจิทตเกลือถ้าเป็นหลงอะไรนั่นรีบตัดสนเลยมีบันเนย มือใจที่พัฒนาทีอพปฒนมีรูปไปกิเลสมีตัวกิเลสหนามีอใจคนถูกทั้งหมดเลยของไพล่เนาะแล้วถาถ้าเราจะตัดมันการันอย่างก็ต้นตออยู่นี้มาดูจิตตั้งจิตเองไม่จิตอะไรนาดเองไม่ตองแฝไม่ต้อสาิตสาธิตจิตตั้งจิตเองจิตเพ่งจิตถึงจิตแล้วก็ตั้งสติเจิตเงจิตแล้วนั้นขาเห็นก็หมดเรือกันไปแล้วขาดแล้วก็หมด หมายความว่าดีที่เราดูว่าไปเห็นตามมันนหมายความว่าเราไม่รู้เท่ า, ม, ามันแล้วแตมัน เ, เราล่วงไปเราล่วงไปแล้วใครจะเปิดความเ็จรินโลกไปตามมันแล้วก็่แล้วแต่มันจะสอนใช่ไหมตัวไอ้ถือตามมันทั้งหมดสุดท้ายมันจะเป็นบ้าครับก็แต่าาวางไม่ได้ไเป็นบ้าเป็นบ้าครับผมแตอนนี้มีปัญหาบางคนฮ ดินั่งแล้มีตัวหมุนบ้างมีตัวครงบ้างมีตัวลอยบ้างอันนี้จะแก้ยังไงอยู่ในปิติม้ทั้งหมดเลยอยู่ในปิติทั้งหมดปิติทั้งหมดมีตระกาปิติครจะป่ิติอนี้เลยยงการกะปิติกระทำิโอสิงขาปิติอะไรมีลอยไปนันนี่ก็นี่คือยังยังเอาม่้นี่าจะแก้กับผมมาให้เกิดปิตก็ดูในจิตก็กลับมาดูจิตอยูในจิตทั้งจิตุดนี้อันนั้นกระไป น้ำข่าจิตข I mean, ่าเราอยู china, ch ja, <to> <term> ่เนื้เมื้อเมื่อพิจิตรนั้นอีกแล้มีเนื้าพิจิตรนั้นอีกครับจริงไหมอยูเนี่ยทั้งหมดเลยนันมันขาดไปเอไม่มีอะไรกไอิ่งเหลานี้มันมันยากมากเพราะว่าไอสมรจิตมันมีตัวม่ตนอะไรแล้วก็ถ้ามีไม่ได้รู้จิตจริงมันก็ต้องนั่นล่ะเมื่อวานในเรียนมันซื้อไหมครับผมเรียนถาม อท่านอาจารย์เทพอาจารย์เทพบอกว่าให้นั่งให้จิตกัสมาธิเฉยแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองเป็ญอามเดเกิดจากสมาธินะครับอืม <c oughs> ไม่ต้องเอาอะไรมาพิจารณาอะไรถ้าพิจารณามันนี้เป็นการเออะไรเอาสัญญ า, าละชัยเพิจารณาจิตนี่แหละพิจารณาพิจารณาจิตจะรู้จิดให้รู้จิดจิตปัญญาสูงสุดคือจิตรู้จิตครับ <c oughs> ถ้าเรารู้จิตชัดเจนแหมดปัญญาแล้วไม่ต้องรู้อะไรอีกอ คะรก็้ท <no> AUDIO ี่อยู่ในจิตของเราทหมดรู้จิตนี้จิตนั้นไม่ใช่ของสัมมดามันเป็นอะไรมากสนับสนุนการส่งถ่ายได้ทัหมดแม้จะได้เจอมาได้เคยไปพูดไปแลาอยู่ในมือซื้อแบบนีว่าคิดส่งออกนอกตัวส่งถ่ายไปถึงไทยผลของส่งถ่ายเป็นตพุ้น ผลเมื่อเจาะสองนองเป็นทุกข์ผลเห็นจิตแย่แต่มแ้งเป็นเป็นนิโรธจนจิตเห็นจิตเป็นตัวมรรคจิตเห็นจิตเป็นมรรคผลของมรรคเป็นตัวนิโรธผลธรรมะเป็นผลเห็นจิตเห็นจิตอย่แจ่มแจ้ตัวนั้นเป็นตัวนิโรธเป็นเห็นผลผลเห็นผลเห็นจิตที่เห็นจิตเห็นเนืี่เป็นตัวมรรคการเห็นเป็ตัวมรรคเปลี่ยนรูปมาแล้วกระดับมรรคอันนี้เราเป็นเป็นผลมันบเป็นิโรธเป็นตัวนิโรธขึ้นดับทุกข์ขับไม่มีทุกข์ นี่เลิกคนนี้คนนี้นะเหตุของโลกก็คือเอตุของกวฎอันเรมาคือเหตุของทุกข์ก็คือคนไทยคนไทยถูกผลมันนิโรเป็นผลผลของของสมุทัยเป็นตุทุกข์และผลของของมรรคือตวนิโรธ แล้วคำว่าจิตดูจิตหมายความ่าเอาสติดูจิตการิแต่หลรูจิตก็คือผลรู้แล้วก็ตั้งสติให้อยู่ในนั่นให้อยู่กับผลสติจะลลึกอยู่เนื้อผู้จิตับสติเองตั้งจิตเป็นจิตเพือเป็นอันเดียวตั้งสิตนจิตจิตกับผูสเป็นของสิ่งเดียวกันมีแตกต่างกันเลย การใจกลรงทั้งหลายเกิดขึ้นจากการเราคิดผิดๆฉะนั้นย้อนนํมาเราไปสู่การกราา่อสร้างกรรมทั้งหลายจะคงทุกชนิดไ่มีหยุดยังจเรขาขยาจผิดเมื่อเรสร้างกรรมไม่มีที่ส้สุดากิเลิลสอะไรแล้วมันขาดหมดมันมั น, ม, นมันจัดขาดไปหมดแล้วจิเดสกันหารันหมดแล้วไม่ใช่เรื่องนั้นม่หมดเพราะที่ตัดกิเลสกันหาปาทานหมดคือพระอรหันเนี่ยท ก็ยังจิตจนั้นยังอยู่ใช่ไหมครับผมก็อยู่ทียังไม่ไปแต่ไม่มีปรุงแต่งอะไรฉันไม่มีปุงแต่งครับแม้แต่ละสังขารแรกผเดนั่นโดยชัจชิตธรรมชัจชิตธรรมคือพฤติกรรเราชัจชิตธรรมของเรานั้นไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากำลังลงผิดอยู่ในวิชาและเมื่อได้รับกลับมาในขณะที่เรามีการกลับสรู้ทั้งเดียวเนี้ยอวิชชาเกิดตัวเนี้ยรู้ขึ้นกับตัวนี้รู้ คมันเป็นธรรมชาติแห่งภูสัจธรรมคือจรธรรมชาติอย่างนั้นเป็นธรรมชาติแห่งภูสัจธรรมคือมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นอัจจักของเราบมันมีการเปลี่ยนแปลงไมันมีการเปลี่ยนแปลงสัจธรรมเขาขาไทยแบไม่มีทั้งคิดไม่มีทั้งาอวิชานขึ้นม่ได้คิด ก็คิดอยู่ตัวคิดเองเองตัวยึดกับมดมดมดหยมดคิดเห็นไหมครับผมอืมตัจิดมันอย่างยึดมันไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนครับผมอวิชามันก่ออยู่นี่นะมันก็ตจิตนเป็นจิตมันหลงคิดไปตามอวิชามันก็อยู่นี่นะอยู่นิดกว่านัครับมันยังอยู่อย่างนั้นเองอยู่อย่างนั้นเองมันไม่เปลี่ยนแปลงถูกอวิชาตอบนามอริชาจะจุงไปไหนก็จุ่มยึดทั้งหลอกนามอริชามันเกิดยึดอันสุดจักรที แล้วเรายองมีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นจึงจึงเลยมีความเกิดจนเมื่อเธอรู้แต่เธอรับจนมีแต่เธอรู้ให้จำสมบูรณ์ไปพระบ้องเคยเห็นเรื่องหนึ่งนว่าจิตเขาบอกเรียกว่าจิตแทแล้วก็จิตรับที่รับอารมณ์ต่างๆเข้ามาแต่นี้พอจิตรู้จิตรู้ต่พอรู้แล้วกายเป็นจิตละพระบ้อรับมล้กิเลสตัณหาออกแต่นี้ก็เป็นจิตหลุดับ งคื อ, อละเนี่ยนะละ e <Yeah. S 1> อย่างไงอัน mm นี hmm. ้เปลี่ยนครงการที่สุดเลยละไม่ชุกชานมันก็ไม่ไม่ดับครับผมชุกชามต้องละเึือประเด็จดับต้องละเพื่อความดับวางทุกตามี่ยอดดับตามสติปัญญาเรารู้เรารู้ในย่อีเอานังมาแก้เอานันมาแกไม่หลัครับไม่ดับใช่ครับผมที่มาสอบนอกอยู่คือเป็นเรื่องของเร ที่นารยที่ว่าต้องต้องูจิตข้างในกันนันเองนั่นแหละที็งชิจิตได้หลับหมดแล้วถ้าตั่งจิตยมีจิตอะไรมีขาดอีหลักวิธีหลัูกต่อแต่ถ้าดับเปอียนญญาทั้งหมดมันดับไม่ไม่ไม่ไิเพราะว่าแต่แท่งจิตเป็นิก่อกันเลยตามทั้งหลายเรียกว่าวินญาณเมื่อมีวิญญาณแล้วก็รวิธีแห่งความคิดนิกวิีแห่กานหาเหตุผล ราะที่ทจิตกระกมีอน ย, นยนประเกิดต่างๆเมื่ออิ น, นรกอารมณ์ทงหกเกิดขึ้นก็ะจะเสนอกระลุกในวัตถุแนอารมณ์สงหกนั้าจับถอนหมดนั่นจิอทิงทางที่แปลเที่น่ามาจากกับแกล้งใครขนของภวะทิ่แิตเมว่าบาคนนั่นจัปฏิบัติจิตในการขรือหรือปฏิบัติจิตดีใ น, นทางดีแล้แต่ว่าภระที่แท้จิตจะอยู่ในอารมณ์ทีนใดอยู่ในอารมณ์ดีหรือยอยู่อารมณ์ชั่ว อารมณ์ชั่วก็เป็นลักษณะของสามัญชนอารมณ์ดีเป็นลักษณะของสุภาพเพราะความรู้จึกที่เป็นของ ค, คู่ประเภทเป็นการข้างฝังติดอยู่ใ น, นในสายแหย่งภะวะที่แรงจิตนั่นี้งงคู่คืออะไรมีชั่วสูงดำอะไรดำขัดลำเท้าอะไรมีเป็นคู่กันทังจิตเป็นคู่กันเป็นจเมื่อเดียวกันหมด เราแยกคู่นี้ได้แล้วกันนะส่วนนั้นตัว่าไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ซ้ายไม่ขวาถ้าไม่มีทั้งบนทั้งบาทยืนเหนือบุนเหนือบาเยบุนบบาเงื้อสมุดเงื้อบัญญะเงื้ออันิจังทุกครั้งอนาตาเงื้อเหตุเนื้อผลสมุดบัญญัติทุกครั้งอันิจังอนาตาเหตุผลอะไรนี้มันยืนหลบสมออันสมุดนี้มันยืนเหนือเหตุผลเสมอยากว่าโลกจกระอัยืนเนอโก ยุ่เนือกามาโลเืลกทามก่าวมาพอรูโมันยุ่นทั้งหมดอรูวาเนื่อเหตนทั้งหมดเนื้อเหตุเน้อมันยเบิาโลกทั้งหมดครับทะแค่นี้ก็จะดปฏิบัติสิสิบปีัไได้ผลแล้วจะใส่ัดกระบอกบางที่ก็ท่ามานชิวไเลค ถ้าพูดที่อเวอรรมแล้วก็พูดอย่างนี้ก็ได้ความรับพูดดึงด้วเมพูดอย่างนี้เหมือนกันกระเปาแต่รู้ควาครับผมไม่อะไรเปนิ่ง้าไปกินจิตสิ่งจาตนตนที่งูเลิกโดนทุตดอนั้นหลวงปู่ของของผมทพบทางแล้วครับท้งกลับกม่เหืองก็พบก็ไม่ใช่ไม่รบแล้วก็ไม่ใช่แลว่า เวลาทำมาพุตวนี้จะมี่องตา์มาปฏิบัติศาสตร์เรามาปฏิบัติอะไรสริกายอะไรมาพย่านี้ก็คื อ, อ, อ, อ, อพี่เขาว่าถ้าผู้ปฏิบัตินี่ยังไม่เห็นทางอะไรน่ครับอเข้าเมืองมัจรุดเก่งอยู่สองอย่างเราแยกรูปถอดดวยชามักจิ เหตุก็ตองละคนตองละใช้ไม้มีก็หมดคนที่เิด <Okay. S 1> นี่ตองละคนองละใชนั่นน่ก็มีอยู่ในเหตุใ น, mm hmm. นัล้นมันในเหนลทีท่เกิดไ mm hmm. ม่มหมดหมดเกิดห ม, แมดแก่หมดสิ้หมดไป mm hmm. แล้วนมีชีวิตนี้และไม่มีชีวิตในจักรวาล mm hmm. นั่นไม่วรวมแล้วมีรูกับนาสองอย่างนั้นะงามเดิม ค, คือคือความรของจักรวาล oh. เข้าคู่กัน เป็นเหตุองตัววิชาเก่ดกาะที่ได้มีรูปที่นั่นจงมีนามที่ได้มีนามที่นั่นจงให้รูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดตัววิชาเกิดเหตุเกิดเหตุเกาะเจ้วิชาเป็นคู่อเป็นก่อนถาอัมีรูปกับนารวมกันมันแยกออกจากกันไม่ได้ครับคือวันนั้นนั่งอยู่ที่ก็บอกขึ้นมาเองว่าเมื่อ มีลูกล <stab? S 1> <asan> ูกก็ดับนางนามก็ดับต้องดับทั้งลูกทั้งนามดับทั้งลูกทั้งนางไปรวมอย่างพระสัจจะยังมีอยู่ครับที่ไม่มีอะไรเราจึิงบอกว่าเมื่อลูกดับนางก็ดับแต่ตัวเหลืออยู่นั่นเป็นอะไรนะนั่นมือพระสัจจะต่อไป